ธรรมดาจะสวดแปลนะวันนี้พูดนานเลยขอขอลดคำแปลเหลือบาลีอย่างเดียวขออนุญาตกล่าวขอบคุณปิดท้ายอีกทีคือขอบคุณพวกเราเองที่ให้โอกาสตัวเองนะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำให้คอร์สนี้เกิดขึ้นมาและสลับตัวอาตมาเองเนี่ย ไม่ใช่อยู่ๆจะมามีอะไรมาพูดให้กับโยมได้ถ้าจะขอบคุณอาตมานะก็ต้องขอบคุณเลยไปถึงครูบาอาจารย์ของอาตมาก็คือหลวงพ่อประโมทประโมโชนะขอบคุณหลวงพ่อประโมทแล้วก็ต้องขอบคุณเลยไปถึงครูบาอาจารย์ของท่านแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นคือพระสงฆ์ทั้งหลายที่รักษาคําสอนรักษาคำคำสอนของพุทธองค์และยังปฏิบัติรักษาสภาวะ ของผู้ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบต่อเนื่องมาเป็นพยานกันต่อเนื่องไปถึงเราเป็นพันพันปีไม่ใช่เรื่องง่ายขอบคุณครูบาอาจารย์เหล่านั้นด้วยขอบคุณไปถึงพระเจ้าอาโศกที่อุตส่าห์นึกถึงคนที่อยู่ห่างไกลชมพูทวีปส่งธรรมทูตมาถึง สวนภูมิไม่ใช่สนามบินมาถึงดินแดนแถบนี้ขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณผู้ที่ช่วยเกื้อหนุนศาสนามาทาั้งทางตรงทางอ้อมทั้งหลายขอบคุณพระโสณนะพระอุตระที่นาศาสนามายัางแผ่นดินสวณภูมิแห่งนี้บุญบา ร, รมีของท่านยังคงคุ้มครองเราอยู่ก็นึกถึงท่านก็ถึงเลยนะนึกถึง อย่างนี้แล้วนึกถึงที่สุดเลยคือพระบรมครูของเราคือขอบพระคุณพระพุทธเจ้าที่ทรงเสียสละความยากลำบากต่างๆสั่งสมพระบารมีเพื่อสร้างพระองค์ให้มีคุณภาพจนเป็นพระพุทธเจ้าตัศโรเองโดยพระองค์แล้วบอกต่อสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่มีผู้เสียสละ อย่างพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะต้องจมอยู่ในทุกนี้อย่างหาที่ไปไม่ได้เหมือนที่ครูบาอาจารย์เปรียบเหมือนห้อยท่าตาบอดและยังโง่ด้วยอันนี้อาตมาตเติมเองมันก็ก็ขอบคุณทุกๆ ท, ท่านเลยนะถ้าจะนึกถึงขอบคุณอาตมาให้นึกถึงครูบาอาจารย์อาตมาตด้วยนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วนึกถึงต่อไปจะถึงพระบรมครูของเราคือพระพุทธเจ้าของเราด้วย นึกถึงอย่างนี้แล้วก็มั่นใจในคำสอนของพระองค์แล้วเท่านั้นไม่พอขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่จะไปบอกต่อแต่ตอนนี้เนี่ยเรายัางรู้ครึ่ ง, งๆกลางๆอย่าเพิ่งบอกให้มันมั่นใจก่อนให้มันแน่ใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติได้ผลจริง้าไปบอกถ้าไปบอ ก, บอกตอนนี้นะก็เป็นเหมือนเสียงจากก้นหลุม พอเราอยู่ก้นหลุมด้วยกันมันก็ทำให้คนอื่นก็เขวยก็ตามเสียงนี้ไปนะก็หวังว่าจริงๆแล้วคอสนี้น่าจะเป็นเป็นโอกาสที่เราได้แหวกทางไปสู่ปากหลุมนะก็เชื่อว่าคำสอนคุูพระเจ้าเนี่ยยังศักดิ์สิทธิ์และยังให้ผลได้จริงอยู่ชักชวนให้พวกเราได้ทำเพื่อให้ได้ผลตรงนั้น ความพ้นทุกข์มีจริงทางแห่งความพ้นทุกข์มีจริงพระองค์แสดงออกไปแล้วท่านไม่ได้แสดงนิพพานเลยร้อยท่านแสดงทางไปสู่ความนิพพานถึงถึงภาวะแห่งความถึงภาวะแห่งความพ้นทุกข์นั้นด้วยก็ขอให้เราเดินขั้นตอนการเดินจะอดทนหน่อยต้องอดทนหน่อยอดทนแล้วจะได้ผลของความอดทนนั้นคือได้รับผลของสติบ้าง สติเกิดขึ้นมาผลก็คือกิเลสดับไปเลยได้รับผลของสมาธิคือสมาธิเกิดขึ้นมาข้างในจิตใจจะตั้งมั่นมีกำลังขึ้นมาทันทีผลของปัญญามีปัญญาเห็นขึ้นมาข้างในจิตใจก็แจ่มแจ้งขึ้นมาทันทีขอให้เรารับผลของการปฏิบัติของเราเองการปฏิบัติของเราก็คือปฏิบัติตามคําสอนของพระโตองนะขออนุโมทนากับทุกคนอีกครั้งหนึง่ง